จากพระบ้านป่ารูปหนึ่งวิถีชีวิต จากผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชีวิตของท่านเคยเหลือครูบา แม้ไม่ต้องผมผ้าเหลืองไม่ต้องห่มผ้าเหลืองผมมีศรัทธา โดยเฉพาะปกกากโยใน ตามบันทึกปีกัดเป้าประดิษฐ์รัตนคมเขียนไว้ว่าอุบาเกิด 17 2431 อีก 4 ปีต่อมาบิดาของท่านก็จาก ซึ่งห่างจากไม่เถยไม่มากนักความ ครูบาสีชัย 2477 และมีชื่อ จนจบล้วนด้วยความสนใจพร้อม ตน 22 ปีใน 2453 ท่านครูบาสีวิชัย 2 พรรษาก็กราบลาพระ สร้างความโด่งดังไปทั่วเป็น ส่วนใหญ่ยอมเช่น ที่พระอุปัชฌาย์ต้องได้รับการแต่ง จำคุก 6 เดือนให้สืบข้อ ท่านณที่ชัยราวีทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกไม่ อามเงิน 1,600 บาทก็สร้างได้ท่านจึง มี 2,000 กว่าบาทงานและ 6 เดือนส่วน ขวานากําลังถูกรวมก็เป็น เมื่อไปเป็นประธานในการสร้างวิหารวัดดอนแก้วอำเภอ อันพร้อมกับผู้ติดตาม 1,000 กระบอกหลังจาก 2 คน 2 รูป ก็ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงทาง ในวันที่ 9 พฤษภาคมพุทธศักราช 2477 ท่าน 500 คนขึ้นไปช่วยทําถนน 20 เมษายนพุทธศักราช 2478 ในครั้งนั้นครั้งนั้นครูๆ ท่านๆนานา 2478 หลังจากคือ จึงและเป็นครั้งสุดท้ายต้องสละท่าเหลืองอีกครั้ง โดยผู้มีอำนาจระดับใหญ่ใน ห้ามกลางความดีใจของสาธุ งานของ 76 ปีท่านก็ยังแข็ง ชาวบ้านได้อพยพหนีภัยน้ําท่วม นะศรัทธาบ้านหาหนามและ 514 อนาสถาวัด จังหวัดลำปางได้มานิมนต์ท่านเพื่อไปเป็น 2520 ท่านเหนื่อยอ่อน จะกลับแต่จะมีใครร่วงรู้ถึงข้อนี้ก็หาไม่อารามหาหนามจะจะจะ 3 มีนาคมพุทธศักราช 2520 ซึ่ง 6 เหนือแรม 14 ค่ํา เวลา 16.00 น. ท่านจึงได้จากไป 3 เดือนมีนาคมของทุกเชียงใหม่ ขอฮุ่งมหาชนมาล้วนด้วยใจละของท่านเป็นๆนั่น Hãy subscribe